สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากคีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดฟิสเยซูตอนที่สามร้อยเจ็ดสิบแปดครอบครัวครั้งที่สามพอจ้นพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบเก้าข้อที่สิบสามถึงข้อที่สิบห้าขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า จงยอมให้เด็กเล็กๆ เ, เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตบนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นพี่น้องครับครอบครัวมีเด็กครับและพระเยซูกํำลังสอนถึงความสําคัญของเด็กๆเด็กๆในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าในขณะที่ พระเยซูทรงสอนถึงครอบครัวถึงการมีคู่ถึงการอยู่โซดหลังจากที่สอนเสร็จแล้วพระองค์ก็เอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็ก เ, กเดกเ็กเล็กที่นี่นะครับมีความหมายก็คือเป็นพีโดพีโดแปลว่าเด็กครับมีคนพาเด็กๆ เ, เหล่านี้มาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์อธิษฐาน ถามว่าทำไมเด็กต้องการคำอธิษฐานพ่อแม่ในสมัยโบราณนั้นเขารู้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะครับอัตราการตายของเด็กแรกคลอดในสมัยโบราณนี่สูงมากนะครับสูงมากไม่เหมือนสมัยนี้เด็กตั้งครร์ น, นะครับอยู่ในท้องคุณมอ่อคุณแม่ตั้งครร์อยู่ในท้อง นะครับก็ลูกนั้นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยครับเพราะว่ามีเรามีการฝากคันแต่ในสมัยก่อนนั้นไม่มีการฝากคันเพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นเขาต้องการหรือเขาต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างสูงคนที่มีพระเจ้าก็จะพึ่งพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องพึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เขาเชื่อเรื่องผีสาง เทวดานางไม้ก็ต้องไปบนบานศาลเก่าแต่สำหรับที่นี่พวกเขาต้องการให้พระเยซูทรงวางพระหัตถ์อธิษฐานแสดงว่าพวกเขานั้นก็ถือหรือเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเขาอาจจะเข้าใจพระเยซูไม่ถ่องแท้แต่เขารู้ว่าพระเยซูต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นใครบางคนที่เขาสามารถจะให้พระองค์วางพระหัตถ์อธิษฐานได้ แต่เราสาวกไม่พอใจครับพระกัมภีบันทึกและห้ามปลามพวกประชาชนหรือบางทีเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่พาเด็กๆมาในพระธรรมมาระโกตอนเดียวกันนะครับก็คือในมราระโกบทที่สิบข้อสิบสี่บันทึกเหตุการณ์เดียวกันครับมราระโกกล่าวว่าพระเยซูไม่พอใยเมื่อสาวกของพระองค์ห้ามปรามประชาชน หรือห้ามปรามพ่อแม่พระเยซูก็เลยตัดว่าจงยอมให้เด็กเล็กเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงอุ้มเด็กเล็กเหล่านั้นวางพระหัตบนเขา และทรงอวยพรให้เปียสหุหมายความว่าไงครับในข้อความที่ว่าด้วยว่าแผ่นดินสวรรค์และเด็ก ๆ, ๆคำว่าเด็กๆหรือเด็กเล็กๆนะครับมักจะทอมตัวครับมีคุณสมบัติแห่งการทอมตัวพึ่งพาอาศัยนะครับหรือดี p e n d e n t นะครับและวางใจเชื่อถือมีความหมายว่า trust เพราะฉะนั้นเด็กนะครับจะต้องมีท่าทีหรือคุณสมบัติประจำตัวของเขาประการแรกก็คือถ่อมตัวถ่อมใจสองพึ่งพาอาศัยสามวางใจเชื่อถือทั้งหมดนี้คือท่าทีที่ผู้ใหญ่ควรจะมีเหมือนเด็กครับเราควรจะมีเพื่อจะเข้าใจและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับ พี่น้องลองคิดดูนะครับเด็กอายุ10ปีเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่อายุ 4-50 ปีใครมักจะเป็นคริสเสียน ง, ง่ายกว่ากันคําตอบก็คือเด็กครับเพราะฉะนั้นพันธกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องตื่นตัวเราจะต้องรู้จักที่จะช่วยโอกาสในการทําพันธกิจเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กๆนั้นก็เหมือนกับผ้าขาว และเขาสามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้เขาไม่มีความเป็นหน้าซื่อใจคดไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ะจะเป็นการหลอกลวงเด็กนั้นก็ใส่ซื่อและสะอาดพี่น้องครับเราจะเห็นพันธกิจนะครับขององค์กรต่างๆนั้นก็มักจะทำกับอนุชนทำกับเยาวชนทำกับเด็กพี่น้องครับ ลูกของเราในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันเวลาที่เขาอายุน้อยต้องให้เขารู้จักกับพระเจ้านะครับให้เขารู้จักกับพระเจ้าบัญญาจารย์ได้กล่าวชัดเจนนะครับบัญญ า, ารรย์กล่าวว่าที่จะรู้จักกับพระเจ้าในวัยเด็กนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีพี่น้องครับในชีวิตของเราในครอบครัวของเราเรายังต้องอธิษฐานเผื่อลูกๆของเราทุกๆวันกับ พระกัมพีบัญญาจารย์บทที่11ข้อที่9โอเยาวชนจงเปลี่ยนปีในปฐมวัยของเจ้าและให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงดำเนินในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้าแต่จงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการทั้งปวงเหล่านี้ พระเจ้าจะทรงนําเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกข์ร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยพี่น้องครับก่อนที่เราจะมีอายุมากขึ้นเราจะต้องฉวยโอกาสนะครับ หลายหลายคนก็อยากจะเป็นเด็กนะครับเมื่ออายุมากแล้วนะครับบางคนก็ไปทําสัญจรกรรมบางคนก็ไปแต่งหน้าแต่งตาบางคนก็ไปทำเบบี้เฟสพี่น้องครับสิ่งต่างๆนี้แสดงว่าเราอยากจะเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเราจะต้องมีท่าทีอย่างเด็กสามอย่างครับก็คือการถ่มตัวถ่อมใจสองคือการพึ่งพาอาศัย และสามคือการวางใจเชื่อถือนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีพี่น้องครับคาสอนของพระเยซูสนับสนุนนะครับให้เราแต่งงานและมีครอบครัวให้เรามีลูกบางคนแต่งงานไปแล้วไม่อยากจะมีลูกนะครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าเราจะต้องมีลูกนะครับเพราะลูกลูกนั้นคือพระพรเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าอวยพระพร บอกว่าจงมีลูกจกทวีเต็มแผ่นดินพี่น้องครับการที่สามีภรรยามีจุดยืนนะครับมีความรักในพระเจ้าเป็นคู่สมรสที่เป็นคริสเตียนก็จะรู้บทบาทหน้าที่นะครับและเวลามีลูกพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตการแต่งงานและการมีครอบครัวพระเจ้าจะช่วยและพระเจ้าจะให้พระพรของพระองค์ มาถึงครอบครัวที่ยกพระองค์เป็นใหญ่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน